บทภาชนี707ฝ่ายหนึ่งกำหนัดภิกษุณีส่งเสริมด้วยกล่าวว่าจงเคี้ยวของเคี้ยวหรือจงฉันของฉันจากมือของยักษเปรตบันฑลอหรือสัตว์ดิรัชันที่มีกายเป็นมนุษย์ต้องอบัตทุ ก, กฎดภิกษุณีรับประเคนตามคําของภิกษุณีนั้นด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะ ฉ, ออกกฉันต้องอบัตทุกฎฉันต้องอบัตทุกกดทุกๆคํากลืนเมื่อฉันเสร็จต้องอบัตทุลใจ ภิกษุณีส่งเสริมด้วยกล่าวว่าจงรับประเคนน้ำและไม้สีฟันต้องอบัตทุกกฎภิกษุณีรับประเคนตามคำของภิกษุณีนั้นด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอบัตทุกกฎ